ำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันเป็นประจําเลยนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะช่วงตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะคะก็หลายๆท่านอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเป็นรายการจิตวิทยาแบบเบาๆที่ช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถนําแนวคิดไป ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะตําเนินรายการค่ะดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะแล้วก็รุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยนะคะก็เป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานี่แหละค่ะเป็นประจําที่เราสคนจะมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังกันนะคะสวัสดีค่ะรุงยุ้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมค่ะลุงขาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของต้นต้นตุลาคมอยู่ครับผม คราวนี้ค่ะลุงก็ถ้าพูดถึงวัยเกษียณอายุเดี๋ยวเกริ่นก่อนเพราะว่าสําหรับค น, นที่รับราชการนะคะสามสิบกันยายน เ, <อ>เนี่ยก็ถือว่าเกษียณอายุราชการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงยุ้ยถือว่าพึ่งเกษียณอายุราชการเ<อ>าพราะฉะนั้น<ด>ชีวิตการปรับเปลี่ยนชีวิตการใช้ชีวิตการมุมมองหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะต้องปรับเปลี่ยนไปไหมคะลุงอาจจะต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเคยทํางาน ทำงานมาสามสิบห้าปีอ่ะน้องทีค่ะออกจากบ้านทุกวันการถึงสูกบางทีเสาวก็ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับบางทีมันก็มีเผลอคุณก็ยังไม่รู้นะเพราะมันมันยัง มันมันยังไม่เคยเจอแต่บางทีมันอาจจะเผลอก็ได้นะขึ้นมาลั่นลิ้นแต่งตัวแต่งอ้าวเฮ้ยพอไปถึงประตูบ้านอาจจะอาจจะไม่รู้จะยังไงดีนะคะเพราะว่ารุ่งยุ้ยอาจจะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยาแต่ยังมีภารกิจในเรื่องของการสอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังต้องออกจากบ้านแต่มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาแบบนี้พักนึงที่เอามาเกริ่ให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเพราะว่าวันนี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ลุงยุย้ยหรือว่ามุมมองความคิดสำหรับคนเกษียณอายุเลยละค่ะเราพูดถึงการมองโรคให้มันธรรมดาค่ะลุงอเออวันนึงเราอาจจะมีงานทําตื่นแต่เชา้าไปทํางานแต่พอวันหนึ่งเราเกษียณอายุ เ, เร า, า จ, จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงหลานไม้ อ, อไห ม, ไมยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ต้องไปทํางานรูทีนแบบเมื่อ35ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง<ร>มองโลคปรับความคิดนะคะมองชีวิตให้มันเป็นธรรมดาเป็นสัจธรรมว่า ก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทํางานแทนเราอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปไปพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการมองโรคให้มันธรรมดานะคะลุงยุย้ยครับผมการมองโรคให้ธรรมดาเนี่ยลุงยุ้ยคิดว่าต้องมองแบบไหนคะคําว่าธรรมดาหรือธรรมะมันมาจากคําว่าธรรมชาตินะคะนะครัเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้มันเป็นป ก, กติค่ะนะคร ปกติคืออายุตัวอย่างก็าบอกว่ามองผู้ในแง่พระนี้หนึ่งมีเกิดแก่เจ็บตายเนาะอถ้าว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็แปลว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอย่างเช่นลุงอายุตัวอย่างเมื่อกี้เราเกิดเรื่องกเกษียณใช่ไหมครับอย่งลุงเนี่ยทางานมาสามสิบกว่าปีพอวันหนึ่งลุงต้องยุติการทํางานเพราะราชการบอกไว้ว่าหกสิบให้เลิกค่ะมันก็เป็นความเป็นปกติ มันก็เป็นธรรมด า, รร ม, ดามันเป็นกฎเกณฑ์ที่บับงคับอยู่แล้วถูกต้องนะครับ <Okay. S 2> อันนี้คือคือการมองโลกให้เป็นปกติธรรมดาที่ที่เขามีอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอะบางทีเราไปบังคับเนาะ mm. ไปฝืนไปบังคับ <Okay. S 2> ไปทำความรู้สึกอื่นๆ mm. ให้เรามันไม่เกิดเป็นความธรรมดา <Okay. S 2> ครับแล้วเพราะอะไรคนเราถึงจะต้องใช้ชีวิต หรือว่ามองโลกให้มันธรรมดาที่สุดก็คือมองให้มันปกติมองหอให้มันเป็นธรรมชาติอย่างที่ลุงบอกเพราะอะไรคะลุงเพราะว่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถูกกลุงแต่งมาเยอะนะคห็นไมครับเราถูกปรุงแต่งมาจากไอ้นูน่นไอ้นี่นั่นเยอะแยะ้องทีเนี่ยยังยั ง, ย, งยังดีกว่าลุงอีกบองทีตรงไหนคะมีมี ม, ม, ม, ม, ม, มีต่างจังหวัดให้กลับออืเห็นไหมครับมีทุ่งนาป่าเขาให้มอง มีธรรมชาติร่มรื่นมันยังมีธรรมชาติอยู่คือธรรมชาติค่ะแล้วมันเป็นปกติเพราะไม่ใช่ลองไปดูนะครับในความเป็นปกติถ้าบอก้องทีเขาไปอยู่ในในในสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ความชุ่มชําร่มเย็นความเงียบมันจะเกิดคือใช้ชีวิตง่ายๆอย่างที่ยกตัวอย่างบางทีอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องทํางานในในกรุงเทพในเมืองใหญ่ในปริมณฑลอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาที่ทีกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดอืคือทุกคนจะบอกว่า ให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าที่ได้เห็นในในสองมุมไงคะในสองสังคมกรุงเทพซึ่งมันจะต้องรัวๆแต่งตัวสวยมีของใช้แบรนด์เนมมีรถดีๆแต่พอที่อาจจะอยู่ตรงเนี้ยบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีอยากได้อยากเป็นอย่างเขาแต่พอพักที่ทีกลับไปอยู่ที่บ้านคนแต่จังหวัดเขาก็ยังเก็บผักกินอยู่เขาก็ยังใช้ชีวิตกันน้อยนิดรองเท้าเขาก็ไม่ได้ซื้อสามคู่สี่คู่เขาจะรอให้คู่นั้นขาดเขาถึงจะซื้อเพราะฉะนั้น ที่ไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยมันทําให้เรามองโลกแบบธรรมดาหรือว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบกึ่งกลางหรือเปล่าลุงว่ามันมีผลไหมคะ อ, นนอันนี้ลุงลงขอขอบอกเลยว่าใช่เลยอะ่ะเพราะว่ามันมันทุกคนนะครับในที่สุดนะครับมันจะต้องสูงสุดสูส่สามมันถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเร า, เราขึ้นมาสูงแล้วอะ่นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตอนไหนก็แล้วแต่เราได้กลับไปอะ่ะจะสังเกตเลยว่าเดี๋ยวเนี้ยยุคนี้สมัยเนี้ย เวลาที่ลุงดูรายการทีวีเนี่ยบางรายการเนี่ยมันธรรมดาธรรมดามากสําหรับสําหรับความรู้สึกที่ลุงมองดาราคนนี้ค่แต่การเป็นว่าดาราคนนี้เดิอนี้เจอหน้าแอ่เขายังหวัดดียังว่าเฮ้ยเขามาชื่นชอมอะไรกันหนักหนาขนาดนั้นนี่คือความที่เราพยายามไม่ทําให้มันเกิดความเป็นธรรมดาไอ น, นะครับค่ะทั้งทั้งที่จริงๆมันก็ คือปกติลุงๆุงอาจจะอยู่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะอยู่ในสังคมกรุงเทพเขาก็อาจจะยึดติดกับวัตถุเยอะในขณะซึ่งถ้ามีอีกมุมหนึง่งถ้าเขาได้ไปสัมผัสกับมุมอีกมุมนึงซึ่งมันเป็นวิถีชาวบ้านนะคะมันจะทำให้เขาเบรคได้ด้วยตัวเองว่าชีวิตโรคมันมีสองสองด้านนะคะชีวิตมันก็นมีสองแบบให้เราเลือกอย่างนี้นะคะ ถูกต้องครับนุงค่ะคำพูดหนึ่งวัยรุ่นมักจะพูดประจำเลยว่าธรรมดาโรคไม่จำแต่เราอยากรราให้เขามองโรคแบบธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่วัยรุ่นเขาบักจะบอกว่าธรรมดาโรคไม่จำลุงว่าไงคะยุคนี้ต้องยอมลําครับเช่น <c oughs> เอาง่ายๆจะขายของอะไรที่มันธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ละ่ะค่ะขายไม่ได้ขายขายกระเพราไกา่ไข่ดาว <c oughs> ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เดือนนี้ต้องเป็นอะไรครับกระเพราถาด เร่มเพิ่มมาเลยเห็นไหมนะครับเมือวันก่อนดูผักเส้นใหญ่ล้านหน้าไม่ให้จางธรรมดานะการดาวเทียมอ๋ออันนี้ก็ธรรมดาโลกไม่จําอืมอันนี้อาจจะเป็นในอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการค้าขายไงคะลุงในเชิงธุรกิจแต่ถ้าเป็นนิสัยอะค่ะนิสัยที่เขาทําเขาจะต้องทําให้มันโดดเด่นเขาจะต้องทําให้มัน เกิดปัญหาหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้คนอื่นจดจําหรือว่าไมนที่ยอมรับเสียงปรบมือเราเราไม่อยากพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรหรือมันไม่ดีละครมันเป็นเรื่องอะไรหงแล้วแต่บางทีเนี่ยเราลองดูสิครับคนบางคนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าได้รับการพูดถึงในแง่ลบก็ยังเอาอ่ะก็ยังเพราะว่าอยากจะโดดเด่นโดดเด่นอ่ะทําอะไรก็ได้อันนี้หมายถึงวัยรุ่นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่า ความคิดขอ ง, องเขานะในหรืออารมณ์ของเขาในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นช่วงซึ่งได้รับการยอมรับอยากโดดเด่น อ, อย่างนี้นะคะนั่นแหละนั่นแหละ อ, อแต่ถ้าเป็นคือถ้าบอกว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันแล้วถ้าฉันไม่แต่งตัวแหวกแนวฉันไม่แหกปากฉันไม่เต้นฉันไม่อะไรที่มันออกมาโดดเด่นเนี่ยฉันก็จะไม่เด่นนะคะเพราะฉันต้องมีอะไรที่เกินธรรมดาซะหน่อย ค่ะอันนั้นก็เป็นวัยรุ่นแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะแล้วเรามาฟังกันว่าถ้าเรามองชีวิตแบบธรรมดาชีวิตของเราจะมีความสุขแล้วก็ง่ายขึ้นแบบไหนบ้างนะคะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUTT Moving Towards Innovative University d a d i y daddy. กูไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ พบตัวจริงสักทีโอ้ชีวิตต่อจากนี้ กับเธอมันจึงคุมคุมกับการรอคอย d e n n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 จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของแรการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยากให้คุณผู้ฟังมองโรคแบบธรรมดานะคะลุงนี่ก็ปลายปีแล้วเหมือนกันลุงใช้ชีวิตต่อสู้ดิ้นรนตั้งแต่ต้นปีน <laughs> ทำงานนะมีมเตาไม้ไมชั ด, ดเจนทำได้ โอ้ประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างนะคะบางคนก็สมหวังในความรากักบางคนก็กําลังอกหักอยู่<น>ก็อยากให้ของโลกให้มันธรรมดาใช่ไหมคะ<น>ชีวิตมันก็มีขึ้นขึ้นลงๆงมีสุขแล้วก็มีทุกงง็เป็นเรื่องปกติเนี่ยนะคะลุงถ้า<ไ>เรารู้จักที่เราจะมองชีวิตทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นอย่างไรบ้างคะคือพุทธภาษาตะวันตประษาตอนนี้จะบอกใหญ่เยอะ อืมเยอะไหมครับคือถ้าเราไม่เยอะเนี่ยเราทําอะไรก็แล้วแต่เอาอย่างง่ายๆเราหิวข้าวนะเราก็ทานได้แค่หนึ่งอิ่มถูกไหมครับหนึ่งอิ่มในอิ่มนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามันอุดมไปด้วยหักบ้างนะครับสารอาหารต่างๆบ้างมันมันก็พอพอเพียงแล้วะ่ะแต่ความไม่ธรรมดาของยุคนี้คือ จะต้องไปสรรหาร้านนู่นร้านนี้บางทีขับรถไปสามชั่วโมงนะน้องทีเพื่อไปกินเขาเรียกสิ่งนั้นว่าความสุขเลลุงสุขอ่ะสุขที่ได้กของรุ่นหนึ่งต่สำหรับลุงลุงไหมสำหรับบางคนว่าถ้าต้องจะต้องทําทํำลายตัวเองจะต้องวื้นวายกับตัวเองขนาดนี้ไม่ไปดีกว่าออืเห็นไหมครับ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันล่ะคือธรรมดาแล้วก็ความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะขับรถไปตามล่าหาของกินอร่อยๆอย่างที่ลุงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่สําหรับลุงมันอาจจะหนักหนาสาหัสกับเราอ่ะนะครเพราะฉะนั้นธรรมดาของคนเราตรงกลางคุณจะอยู่ตรงไหนล่ะคะคือมันพอเพียงหรือยังสําหรับแต่ละคน ต้องบอกนีก่อนเราไม่ได้ไปติหรือว่าว่าคนที่เขาทำแบบนั้นนะคะเพราะเขาเขาเขาอยากจะทำเขามีความสุขที่จะทำและเขามีความรู้สึกว่าทำได้ต่อแถวเพื่อนนั่งไปซื้ออกาแฟหนึง่งขวดสาม <c oughs> ชั่วโมงแต่มันอร่อยมากเลยนะพอได้กิน มันมมสูงมากะคือที่เขาลังจะพูดในมุมในมุมที่ลุงพูดกับในมุมซึ่งคนอื่นเขาไปต่อคิวแบบนี้ยแล้วมันหุงมันอร่อยหมันคุ้มค่ามากเลยเพอเขาได้กินนะเขาจะมีอีกมุมหนึ่งของเขาขึ้นมาทันทีเพราะนั้นลุงถึงบอกว่าเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นค่ะแต่สําหรับมุมของลุงก็คือเฮ้ยถ้าอยากอย่างนั้นเนาะก็ซื้อกาแฟมาซิคนเลี้ยงหน้าบ้านก็น่าจะอร่อยอยู่นะก็อร่อยของลุงไงแต่อาจจะไม่ได้อร่อยของที ถูกต้อแต่ถึงลุงอันนี้มันถึงมันถึงเป็นข้อแตกต่างไงลุงซึงที่เราพยายามจะบอกว่าให้มันใช้ชีวิตธรรมดาเธอเขาก็บอกว่าไอการไปกินกาแฟแบบแ บ, บแรนด์ยี่ห้ออะไรสักอย่างหนึง่งอันนั้นก็คือธรรมดาของเขาอันนั้นก็คือกาแฟหน้าปักซอยก็คือธรรมดาของลุงอ่าเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมดาของกันเรามันไม่เหมือนนะถูกไหมครับอืคือเราอาจจะเราอาจจะเอาธรรมดาของเราไปเปรียบเทียบกับธรรมดาของคนอื่น ลำบากเหมือนกันแต่ถ้ า, าทําอะไรซึ่งมันไม่ได้เหนื่อย<ะ>ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์พยายามที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วกันนะคะลุงครับผมรกเปล่าอย่างนี้ถึงเรียกว่าธรรมดาหรือเปล่าลุงแคาไม่<ะ>ทําให้ใครคเดือดร้อน ค, อคือลุงมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกครับคือสําหรับลุงแค่นี้คือธรรมดาแล้วพอใจละแลขนาดท่านคนที่เราไปมองเขาสําหรับไปมองว่า โอ้โทำไมต้องเสียเวลาไปอย่างนั้นอยงนะั้นเขาอาจจะมีความสุขกับการเสียเวลาก็ได้อันนั้นคื อ, อธรรมดาของเขาเลยค่ะแหวะวฮึจะได้ใช้จะถึงแล้วเว้ยจะถึงแล้วเว้ยคือเรากำลังจะบอกคุณผู้ฟังทุกคนว่าให้ใช้ชีวิตธรรมดาของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับกับใครหมายถึงว่าถ้าทีชอบทีชอบกาแฟแบานี้อย่างที่ลุงบอกทีต้องไปต่อคิว ไปต่อคิวสองชั่วโมงแล้วทีได้กินทีมีความสุขแล้วก็อีกมันอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องในชีวิตของทีไงคะลุงสมมติว่าทีหิวข้าวลุงอาจจะต้องกินเมนูเนี้ยต้องมีผักนะแต่ทีอาจจะกินอะไรก็ได้ซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวที่สุดมันก็เลยจะบอกว่าในชีวิตหนึ่งอะค่ะมันจะมีมันจะมีอาจจะมีหลากหลายพฤติกรรมซึ่งมันอาจจะทํำหลายอย่างแต่ทําให้มันมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนใคร มันก็น่าจะดีมันก็น่าจะดีไหมคะลุงดีมากครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกนะประโยชน์ที่ลุงชอบธุรกิจที่นั้งทีพุ่คืออย่าไปเปรียบเทียบเพราะถ้าเปรียบเทียมเมื่อไหร่ทุบเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์เนาะใช่อย่างที่สองก็ถ้าเขาคนนั้นใช้ชีวิตลูรลาฟุ่มเฟือยอันนั้นเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นไม่เห็นจะธรรมดาเลยธรรมดาต้องเป็นแบบเรานี่สิมันก็มันก็ไม่ใช่นะคะลุงมันก็ไม่ใช่ คือถ้าบอกว่าคนเขามีแต่ตังค์อะแล้วเขาใช้ของแบบนั้นทำกิจกรรมแบบนั้นมันต้องเป็นเรื่องปกติของเขาไงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาอ๋อแล้วเราอยากจะไปใช้ชีวิตแบบเขาเรากําลังจะบอกแบบนี้นะคะว่าสมมุติว่าคุณผู้ฟังฐานะเท่านี้ซื้อของซื้อกับข้าวซื้อกระเป๋านาฬิกาอะไรได้เท่านี้ก็ใช้ชีวิตให้มันเท่านี้ไม่ใช่ทะเยอทะยานไปใช้ให้เหมือนคนที่เขา มีสตังฟุ่มเฟยอันนั้นก็คือไม่ธรรมดาแล้วมันจะเดือดร้อนตัวเองไม่ธรรมดาถูกต้องเลยนะคะการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตแบบธรรมดาไหมคะลุงที่ชอบร้านอาหารร้านนี้มากเลยที่ต้องขับรถไปสามชั่วโมงเพื่อที่จะกินอาหารร้านนี้ก็ที่ชอบอะก็อย่างที่เราคุยกันนะครับมีความสุขก็ทําไปก็เป็นเรื่องเป็นถ้าทีเป็นตัวของตัวเองเนี่ยที่เป็นคนธรรมดาไหมคะใช้ชีวิตแบบธรรมดาไหมลุง ก็อย it ่างที่ลุงบอกถ้ามันอยากจะไปอ่ะอุงลุงมองว่ามันก็ไม่ให้ความความอะไรอ่ะความเดือดร้อนของเขาที่จะต้องต้องดันทุลังไปเพราะเขาอยากไปจริงจริงใช่ไหมครับแต่ยังยังลุงเนี้ยสมมุติว่าเอาง่ายๆดูฟุตบอลลุงเปิดทีวีดูก็เห็นเขาถ่ายทอดสดมาออืนะครับเห็นหน้จอใกล้หนใกล้ตาเลย กับีกคนบอกไม่ได้ต้องไปดูที่สนามมันตลกกว่ากันเยอะเราเข้าใจว่าตลกกว่ากันเยอะแต่เราพอใจกับการที่ดูอยู่ที่บ้านใมครับค่ะมันก็เป็นความสุขของใครก็ของมันนะคะหนอาจจะไม่อยากขับรถไปไปเบียรเซียกับคนอื่นต้องไปนั่งรอก็คืออยู่ที่บ้านจะนอนดูก็ได้จะกินข้าวก็ได้จะทาอะไรก็ได้ <laughs> บะธรรมดาของแต่ลราคนมันมีเส้นของตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องหาตัวนั้นให้มันเจอเท่านั้นเองลุงคารพูดในเรื่องของธรรมดาของความรักบ้างเวลาที่มันมีผิดหวังสมหวังมันก็ต้องมีผิดหวังจริงไหมคะเรื่องของความรักนะเราจะเราจะต้องอยากไปมองแง่บวกอย่างเดียวเนาะความรักมันมีทั้งผิดหวังสมหวังสลุกใจเศร้าใจ ไม่พอใจพอใจอะไรทั้งหลายแหละทั้งคือเรื่องของความรักทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปแจ็คพอร์ตเจอตรงไหนอะค่ะถูกหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคือความเป็นธรรมดาของความรักที่มีอยู่แต่ถ้าเราตั้งความหวังว่าอุย้ยแฟนของเรานะต้องรอต้องรวยต้องโน่นนี่นต้องเอาใจเราต้องไม่มีแฟนใหม่ต้องคนมีแฟนเราเป็นคนเดียวอันนี้คุณคิดไปเองหมด รือว่าของการเรื่องของการสูญเสียก็เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของธรรมด า, ามไม่มีใครอยู่กับรรใครไปได้ไดไตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองเป็นเรื่องธรรมดาว่าทําไมเราต้องสูญเสียมากกว่าคนอื่นออมันมันไม่ใช่ <laughs> ทุกคนต้องสูญเสียเหมือนกันหมดมใช่ไหมคะเกิดเหมือนกันหมครัครือเกิดแก่เจ็บตายดีเท่ากันหมดในมนุษย์ทุกคนเวลาที่ต้องเจอก็ไม่ได้อยากให้เสียใจเสียเสียใจเสียกําลังใจ แล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายจนจนจนเกินเหตุร้องไห้ได้เสยใจได้แต่มีสติกลับมาสัเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอใครๆก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เอามาพูดคุยแล้วก็เตือนสติกันว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมองโลกให้มันเป็นเรื่องของธรรมดาใช้ชีวิตให้มันธรรมดานะคะแล้วเราก็จะมีความสุขแบบที่เราเป็นโดยที่ตัวเราก็ไม่เดือดร้อนรวมถึงไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะคะลุงถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นไ้การที่ เรารู้จักตัวเราเองเรารู้ใจตัวเราเองไว้อยากทําอะไรแล้วได้ทำแค่นี้ก็มีความสุขแหละค่ะก็เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังกับเราทั้งสองคนค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนะกระปงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย่จบแล้วโอเค